<c oughs> อาจารย์ถามสิ่งที่เป็นประโยชน์นะก็จะเป็นกุญแจไขาห้ ค, ค, ความคิดที่มันล็อกแต่ความจริงเรื่องคำสอนของพ่อเทียนไม่มีอะไรมากอย่างที่ท่านเข้าใจแหละเดือนนี้ <c oughs> มันเหมือนกุญแจเนะี่ยมันไม่มีมากนะมันมีดอกเดียวอะถ้ามันถูกแต่ถ้าหากุญแจเป็นพวงเป็นร้อยๆดวงรอยๆดอกนี่นะแต่ถ้าไม่ใช่ลูกของมันใครยังไงมันก็ไม่ออกแต่ถ้าเป็นลูกของมันพวอเดียวมันก็ออกคาสอ น, นใช้คาว่ากุญแจลูกเอกแต่ทำไมจึงมีการอธิบายมากมายนะ ความจริงคำสอนพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านพูดถึงเรื่องของ <c oughs> การตื่นรู้และเบิกบานเท่านั้นนะแต่ที่นี้ว่าคนรับคนฟังมันหลายนิสัยหลายประสบการณ์หลายความคิดหลายการศึกษาหลายเชดิตนิสัยหลายวัฒนธรรมหลายทิฏฐิมันก็เลย กุญแจอดอกเดียวนั่นแหละมันก็คืออะไรไข่ไขไขไขไปตามาแต่ละคนมันก็แม่กุญแจแดอกเดียวที่ไขไปนะนั่นคําถามที่ว่า <c oughs> เราจะออกจากความคิดได้อย่างไร น, ะนั่นหมายความว่ามีมันมีการเข้าไปในความคิดนะแต่ความคิดจริงๆแล้วมันเป็น ก, ากลางๆนะความคิดจริงๆเป็น ก, ากลางๆอยู่กับว่า ความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยความรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวเกิดด้วยอวิชชาหรือเกิดด้วยวิชาถ้าความคิดที่เกิดด้วยวิชาความคิดนั้นเขาเรียกว่าเป็นสติปัญญา <c oughs> ทุกคนก็ต้องทำการทำงานวางแผนคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้มันจาเป็นต้องใช้อยู่แล้วแต่ถ้ามันประกอบด้วย วิชาแต่วิชามีสองอย่างหนึ่งวิชาแบบสมมุติ 2. วิชาแบบปรมาภิชาแบบสมมุติอย่างที่เราคิดกันต้องคิดเรื่องการเรื่องงานเรื่องโน้นเรื่องนี้คิดในสิ่งที่ออกไปข้างนอกมันจะเป็นต้องคิดเช่นว่าพระอาจารย์จะต้องสร้างตึกขึ้นมาเนี่ยเราคิดเยอะทีเดียวว่าจะทำยังไงถึงจะให้มันสําเร็จทาอย่างไรถึงจะได้ปัจจัยเงินทองมา เราทำอย่างไรถึงจะใช้อาคารหลังนี้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งใช้ความคิดมากทีเดียวแตความคิดนี้เป็นวิชาแบบสมมติคือจำเป็นต้องคิดการที่วัดวาอารามที่สร้างขึ้นมาก็จะอยู่รอดได้เนี่ยมันต้องคิดหละว่าจะทำไงถึงจะให้ได้ประโยชน์ทำไงถึงจะได้ลาบผลมาเพื่อให้วัดนี้อยู่รอดทำอย่างไรถึงจะได้คนทั้งหลายมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มทาอย่างไรที่จะให้เกิด ไปอยู่ทั้งตัวเองและผู้อื่นเนี่ยต้องคิดเดยอะเลยเดียวถ้าไม่คิดไม่ได้วัดได้จะอยู่ไม่ได้นี่เขาเรียกว่าเป็นคิดแบบใช้สติปัญญาแต่เป็นสมมติเพราะมันคิดออกไปนอกตัวจําเป็นทีเดียวต้องใช้อันที่สองเรือว่าวิชาคิดวิชาที่เป็นปรมาจารย์คือคิดกลับเข้ามาว่าความคิดที่มันออกไปเนี่ยเป็นสติปัญญาก็นึงจากว่า มันมีตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวที่ได้กล่าวไปเมื่อคือนนะ่ตัวรู้สึกมีสองระดับตัวรู้สึกที่เป็นทางกา ย, ยก็เรียกว่าเป็นรูปตัวรู้สึกที่เป็นทางใจเรียกว่าเป็นนามก็เรียกว่ารูปนามเพราะนั้นในคาว่ารู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นทั้งรูปทั้งนามเป็นทั้งสมมติปรมัตตอยู่ในตัวเสร็จแต่ถ้าเรากลับมา ดูความรู้สึกอันนี้เราอยู่กับความคิดที่เป็นประมัดมันก็จะไม่เข้าไปความคิดที่ปรุงแต่งออกไปที่เป็นสมมตินนี้ที่เข้าใจเพราะฉะนั้นการที่ความคิดเรื่องการเรื่องงานเรื่องสมมติภายนอกก็จำเป็นต้องใช้แต่ถ้าเราไม่มีความรู้สึกตัวที่เป็นประมัดเนี่ย เราจะไม่สามารถหยุดยั้งความคิดนั้นได้บางครั้งเราคิดบางเรื่องบางราวเนี่ยมันไม่จบมันคิดไปเรื่อยๆแต่ความจริงเรื่องการงานมันจบนะสมมุติว่าเราเรื่องอจะาหาเงินได้อย่างไรจบละโครงการเออต้องโดวยวิธีวิธีนี้แต่พอเราไม่มีความรู้สึกตัวที่เป็นปรมาสตรเนี่ยความคิดมันจะต่อไปอีกเรื่อยๆ ต่อไปต่อไปจากเรื่องนั้นไปเรื่องนั้นตแต่ถ้าเรามีความรู้สึกตัวที่เป็นปรมัตความคิดนั้นมันจะจบคือมันจบคือจบได้มันเถอะแต่ถึงเวลาจำเป็นต้องคิดก็คิดได้อีกพอคิดแล้วบอกว่าจบก็คือจบนี่หมายความว่าเรามีความรู้สึกตัวที่เป็นปรมัตอยู่จึงสามารถควบคุมสมมติได้แต่ถ้าความรู้สึกตัวที่เป็นปรมัตเนี่ยมันไม่มีหรือมีน้อยเนี่ย ก็ไม่สามารถจะควบคุมความคิดที่เป็นสมมตินั้นได้แม้จะเป็นสมมุติที่ดีก็ตามแต่มันหยุดไม่ได้เพราะมันจะกลายเป็นสังขารแต่ความคิดที่เป็นสมมติที่เป็นวิชาเนี่ยใช้ประโยชน์ได้มันเป็นปัญญาแต่ถ้าควบคุมมันไม่ได้เนี่ยมันกลายเป็นสังขารการปรุงแต่งตัวนั้นเป็นอวิชาจากวิชาแบบสมมุติมันกลายเป็นอวิชาเพราะควบคุมมันไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้สึกตัว ทั่วพร้อมอยู่คิดโปรเจกต์ต่างๆออกมาได้อพอลงตัวแล้วก็จบไม่ปรุงแต่งต่อลักษณะนี้ความคิดที่เป็นวิชาที่เป็นปรมัตเนี่ยเข้มแข็งสามารถควบคุมความคิดเป็นสมมุติอยู่ได้นะอันนี้คือหลักประการที่หนึ่งเรียกว่าความคิดเป็นกลางกลางขึ้นอยู่กับว่าความคิดนั้นเรารับใช้วิชาหรืออวิชา ถารับใช้วิชาก็เป็นสองลักษณะที่เป็นสมมุติและเป็นปรมัติศถ้าความคิดที่เป็นวิชาที่เป็นปรมัติศมีเข้มแข็งก็สามารถควบคุมความคิดที่เป็นวิชาคือปัญญาที่เป็นสมมุตินั้นได้ชัดเจนจะไม่เป็นอุปสรรคเป็นหาเราเรียกวิชาชนิดนี้ว่าเป็นปัญญาที่ต้องใช้เข้าใจนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองความรู้สึก ที่เป็นอวิชชาไม่ใช่เป็นวิชานะความรู้สึกที่เป็นอวิชชานั้นหมายความว่ า, าเป็นความคิดแบบทั่วไปที่เราไม่มีการฝึกฝนเรื่องสมถาวิปัสสนามาก่อนอพออยากจะคิดเรื่องอะไรก็คิดได้เลยนั่นที่เป็นอวิชชาเนี่ยเราไม่รู้เข้ามาทีา่รูปนามนี้โดยประการเดียวเพราะนั้นสิ่งที่มากระทบให้คิดเนี่ยมันก็จะเป็น อวิชชาโดยประการเดียวอวิชชามีทั้งอวิชชาฝ่ายสมมุติและฝ่ายอภรมัตดได้เหมือนกันแต่ฝ่ายสมมุติก็คือมันมันคิดออกไปเรื่อยๆแต่วิชาที่อวิชชาที่กลับกุมหาตัวเองก็คิดที่กมหาตัวเองได้เหมือนกันแต่คิดแบบสมมุตอะว่าแทนที่จะว่าร่างกายนี้แทนที่ว่าเป็นรูปน้ำเราคิดว่าเป็นเราซ ะ, ะมาว่าฉันทําไมฉันอย่างนน้นอย่างนี้ฉัน เป็นอันนั้นอันนี้เราจะคิดเข้ามาลักษณะอย่างนี้ก็เป็นอวิชาคิดเข้ามาหาตัวเองก็จริงแต่คิดในลักษณะของเป็นอวิชามันก็ออกมาเป็นสมมุติอีกแบบหนึง่งเหมือนกันนะสมมุติลักษณะงี้แล้วไม่เรียกว่าเป็นปรมัตา์เรเป็นอวิชาแต่คิดเข้ามาหาตัวเองแบบวิชากับวิชาต่างกันซึ่งลักษณะที่จะต้องอธิบายให้เข้าใจเรื่องนี้ก็เพราะว่า กผมเนอตามานเนี่ยเกิดมาคนรุ่นที่หลังหลวงพ่อเทียนเพราะนั้นความรู้ประสบการณ์และหลักการต่างๆจะให้เหมือนมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันคนละค น, ละคนและคนละยุคแล้วคนละประสบการณ์ก็จะพูดไปตามาในในหลักการที่มันทั้งสองส่วนส่วนที่เป็นสมมติก็คือส่วนที่เป็นคำสอนหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ ถ้าเราจะว่าตามหลักการของพุทธิยทั้งหมดโดยที่ไม่ส่งคล้องข้บหลักการใหญ่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนของพุงพทธิยอาจจะผิดเพี้ยนซึ่งใครครูบาอาจารย์ที่เกิดมาชั้นหลังเนี่ยจะสอนในหลักหลักการแบบไหนก็ตามแต่ต้องไปส่งครล้องเข้าหลักการใหญ่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าถ้ามาลงตัวกันอาจารย์ท่านนั้นจะสอนแบบไหนสมมุติคําพูดบัญญัติแบบไหนก็ตามแต่ถ้าว่า พิจารณาสงเคราะห์เข้ากับหลักการใหญ่คือคําสอนพุทธเจ้าแล้วอันนั้นถือว่าถูกต้องแต่ถ้าหากว่าอาจารย์นั้นๆเจ้าลัทธินั้นสอนแล้วเมื่อไปสงเคราะห์เข้ากับหลักการใหญ่คือคําสอนพุทธเจ้ามันลงตัวก็ถือว่าถูกต้องแต่ถ้ามันไม่ลงตัวถือว่าเป็นเจ้าลทัทธิเป็นคําสอนที่ผิดพลาดผิดเพี้ยนไม่สามารถจะใช้ได้เพราะฉะนั้น ก, กนระผมธรรมาในฐานะเป็นผู้ที่ได้ได้มีปริยัต มีปฏิบัติก็คํานึงถึง2 ส, ส่วนเพราะการที่เราจะเลื่อมใสคําสอนรับหลักการคําสอนของอาจารย์คนใดคนหนึ่งในฐานะที่เรามีปริญญาต์เนี่ยเราจะรับหลักการแบบหลับหูหลับตาดูว่ามีศรัทธาเลื่อมใสในึหัวเทียนแต่ปฏิเสธหลักการของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันไม่ได้นะความจริงก็คือความจริงเราจะต้องดูว่าหลักการพรุทธเจ้าท่านว่าอย่างนี้หลักการหัวเทียนว่าอย่างนี้มันตรงกันไหมถึงแม้จะใช้ภาษ า, าบัญญัติ คนละยุคคนละสมัยคนล ะ, ะสมมุติก็ตามแต่มาลงตัวกันนะสมมติว่ามะม่วงเนี่ยถ้าหากว่าในภาษาของไทยเรามะม่วงแต่มาถามคนอเมริกาว่ามะม่วงเนี่ยมันไม่รู้เรื่องละแต่ถ้าหากว่าทั้งคนไทยคนอเมริกาได้กินเนื้อมะม่วงถามว่ารสมะม่วงเป็นอย่างไรคนสองคนนี้เข้าใจตรงกันแต่สมมติเนื้อมะม่วงกับมะม่วงคนละอย่าง แต่เข้าใจในสาระเดียวกันแม้ว่ า, าเนื้อมะม่วงและเปลือกมะม่วงนะ่ยจะใช้คุณภาษาก็ตามนะดังนั้นเองฉันใดก็ฉันนั้นคําสอนที่เป็นหลักการที่เป็นปรามัตดเดิมเนี่ยเหมือนเนื้อมะม่วงแต่สมมุติเนี่ยมันจะเป็นมะม่วงของภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาอะไรก็ตามก็ว่าไปตามมันอย่านั้นดังนั้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ เราต้องเข้าใจให้ชัดเจนว่าหลักการเดิมว่าความคิดเป็นความคิดแต่ความคิดเป็นกลางยังไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปไม่ใช่วิชาและวิชาขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าผู้ใช้นั้นมีตัวหลักการคือตัวปรมัตดแล้วหรือไม่ถ้ามีตัวปรมัตดจะใช้ไปทางสมมติก็ถูกต้องไม่ก่อให้เป็นส ม, มุทัย ให้เกิดทุก์จะใช้มาทางปรมัตดก็ถูกต้องไม่ก็ให้เกิดเป็นสมุทยัยแต่ถ้าผู้ใช้ยังไม่มีปรมัตดคือยังมีวิชาจะใช้ไปทางสมมุติหรือไปใช้ทางนอกและทางในก็ก็ให้เกิดสมุทยัยคือความทุกข์ได้เหมือนกันทางนั้นอันนี้คือหลักการกับพระอาจารย์